การบูชาไฟการบูชาไฟเป็นพิธีกรรมสำคัญมีมาแต่โบราณซึ่งจะเห็นได้ในลทัทธิศาสนายุค แ, แรกๆทั้งหลายเช่นการบูชายันของคนป่าในถิ่นต่างๆและในศาสนาโซโรอัสเตอร์เป็นต้นแม้ศาสนาพราหม์ซึ่งเป็นศาสนาของชมพูทวีปสมัยที่พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้น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 แปลงเป็นอัคขาริมะแปลว่าเกิดก่อนมีก่อนอัคคาริมะแปลงเป็นอนัคคณีบทบัญญัติในศาสนาพราหมกํำหนดให้ศาสนิกระชนโดยเฉพาะพราหม์ต้องประกอบยันยาพิธีและการเส้นสวงสังเวย อ, อยู่เป็นประจำโดยเฉพาะการบูชาไฟคืออะคีหุตตะ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 ทรงนำเอาเครื่องเส้นสวงสังเวยขึ้นไปบนสวรรค์ที่ตามนุษย์มองไม่เห็นเมื่อขึ้นไปถึงสวรรค์แล้วองค์อัคคีเทพก็ทรงป้อนเครื่องเส้นสวงสังเวยนั้นแก่ทวยเทพผู้เป็นพระราดอนทั้งหลายด้วยอดของพระองค์ดุดดังแม่นกป้อนเหยื่อแก่ลูกนกชะนั้นไฟมีบทบาทสำคัญอย่างนี้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 ในพระพุทธศาสนาแล้วเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสถามในที่ประชุมอันมีพระเจ้าพิมพ์พิสารเป็นประมุขในเขตพระนครราชครึกว่าท่านผู้อยู่ในอุรุเวลามานานเคยเป็นอาจารย์สั่งสอนหมู่ชนผู้ผอมเพราะกําลังพรตท่านเห็นเหตุใดจึงละเลิกไฟที่เคยบูชาเสีเ้าท่านจึงตอบว่ายันทั้งหลายย่อมกล่าวขวัญ ให้ฝันฝฟแต่เรื่องรูปรถเสียงกรรมสุขและอิสตรีทั้งหลายข้าพเจ้าได้ทราบแล้วว่าสิ่งเหล่านี้เป็นมนทินในอุปธิทั้งหลายจึงไม่ได้ติดใจในการเส้นสวงบูชา